จะเดินทางญิถายตงท่านนจะนนี้ก็เป็นเดือนเดือนกเอ็ดนะนกเดเอ็ดก็เป็นก็เรียกว่าเป็นเทศกาลเป็นวันเป็นนดดหลังจากออกพราษาก็มีการทอดกระถิน่น<ม>เดือนนี้ท่านเดือนามีนานกระถิน่นใบแห่งพวกเราบา ง, นงนวนบางนไะด้ร่วมเนาะได้ร่วมไปทอด บ, บ้างหรือได้ ร่วมถวายปจนะัจจัยสมทบของกระถินบ้านนะั่นถะือว่าก็เป็นงา น, นประจำปนะีเป็นงานที่นะประเคณีที่ทอดกถินกันหลายคนก็คงไปทอดกันเนาะโดยเฉพาะช่วงเสารอาทิตยนะ์ก็เป็นช่วงที่มีนะกระถนะินกับบนหลายวันกะ็เป็นการทําบุญทําทานเป็นการทําตามประเคณีกนะารทําเช่นนี้ก็ดีนะ ทำรได้รู้จักเศรษฐาการทําทานนะก็คือการที่เราได้เศรษฐาเนี่ยแหลนะเราเศรษาปัจจัยจบ้างนะเราเศรษาแรงกายของเราว่านะเราเศรษฐา ส, ส, สิ่ที่เรียกว่าสิ่ที่เรามีเนีนะ่ยแะมันก็เป็นการลดละตัวตนหรือเป็นการลดละการยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนหรือว่าในวัตถุสิ่งของที่เรามีนะ ก็ถือว่าเป็นการทำให้ตนเองหรือว่าความยิดมั่นถึงมันมันน้อยลงไปที่จริงการทำทานนี่ทำได้หลายวิธีการหลายรูปแบบมากอย่างในพุทธศาสนาแบบมหายาณเขาก็จะเน้นการการทำทานแบบแบบโภคิษัต์ทาแบบในทำแบบคล้ายๆทเป็นความเป็นคล้ายๆกิตอาตาหรือว่าอาสาสมัคร ทำงานบริการเพืสังคมทําเพื่อเป็นตนให้เป็นเป็นโภรที่สัตว์คนหนึ่งกันอย่างเวลาจะมาไปไปสอนสอนธามมาที่เมืองจีนก็จะมีกลุ่มินที่เขาเป็นเป็นอาสาสมัครนะเป็นคนที่จัดงานเป็นคนที่บริการนะก็ไปทุกครั้งก็จะเห็นกลุ่มคนพวกนี้อาจจะมีกา ร, ร, กา ร, ร, การเปลี่นเป็นแต่ละบ้านะแต่ทีนี้ก็ทำเนี่ย เป็นสิ่งที่ธรรมะว่าก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นการต้องรับตนอย่างหนึ่งหลายคนเป็นเจ้าของบริษัทหลายคนก็ทํางานระดับสูงนะก็ตลาดทั้งปัจจัยมาทุ่มสนทุในการจัดกิจกรรมแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนคอยบริการนะคนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะทําการซื้อของในตลาดทั้งการจัดทิ้งนอนทําการ นะบริการอาหารรอทานอาหารเป็นคนสุดท้ายนะเก็บกวาดนะเช็ดถูห้องน้ำหรือที่พัก ต, าตา่างๆนี่คือเขาเขาจะทำงานเพราะหวังว่างานจะออกมาด้วยดีคนที่มาร่วม ง, งานก็จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่ตัวเองเสียตลาดแรงครับตัวเองเสียตลาดแทนแรงกายตัวเองในการทำเป็นเรียกว่าทําความสะอาดหรือว่าบริการ แต่จริงนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมท่กแบบมีเหมือนกันเพราะอะไรเขาก็ตลาดซับออกไปด้วยแล้วก็ตลาดแทงการในเองนะในการทําในสิ่งที่บางทีคนที่มีฐานะ ก, ก็ดีหรือคนที่เรียกว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะทําเห็นว่างานชิ้นนั้นเป็นงานชั้นต่ำหรือเป็นงานที่ใช้แรงกลแรงงานนะ เราเป็นคนที่สูงรับใช้สมองในการสั่งการแทนแต่จริงการเบบนั <benefits> ้นนะมันทำให้เป็นการลดตัวตนตัวเองลงมาตัวตนที่ว่าตัวเองด้วยตัวเองตัวตนที่ว่าตัวเองเก่งตัวตนที่ว่าตัเองมีมีฐานะมีความพร้อมนั่เป็นการระดับตัวตนลงไปอันนี้ก็คือการเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าระดับ หรือว่าการไม่ยึดติดในตัวตนในหัวโขนของตัวเองพวกเราลองสังเกตือก็ได้เนาะพวกเราแต่ละคนก็มีมีหัวโขน่มีบีบทบาทสมมติที่แตกต่างกันไปเนาะหัวโขนในความเป็นลูกว่าอาคมก็มีหัวโขนในความเป็นสามีเป็นภรรยาบ้างมีความเป็นหัวโขนในตำแหน่งหน้าที่การงานในที่ บริษัทในที่องค์กรบ้างมีของโขนของความเป็นนักปฏิบัติธรรมบ้างเวดามาอยู่วัดคือปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีความเคร่งขรึมโดง่งพอไปอยู่กับเพื่อนอาจะมีขอโขนความเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาไปเล่นกีฬาก็มีความของโขนของความเป็นนักกีฬาไปเล่นดนตรีก็มีความเป็นนักดนตรีแล้วก็เปลี่ยนไปเนะ โคโหที่เราแสดงหรือบทบาทที่เราสมมุติว่าแสดงแก็สรุปว่าก็เราเป็นใครกันแน่เราเป็นใครเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเราเป็นหมอเป็นอาจารย์เป็นผู้วิพากษ์ษาเราเราเป็นใครกันแน่ที่จริงความเป็นอะไรมันเป็นแค่สมมุติใช่ไหมเป็นแค่สมมุติ ในบทบาทที่เราเป็นเชื่อความเชื่อพราบแต่ความเป็นใครแน่ๆเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีนะอันนี้แต่ตัวตนที่แสดงเชื่อคราบถ้าเรามีสติรู้เท่าทันบทบาทหรือว่าหน้าที่การงานที่เรามีเราจะไม่เป็นคนที่เรียกว่าเปอวดเบกหรือว่าไม่ไม่พยองหรือว่าไม่มีมาหน้ า, าอัการตัวตนที่สูงใหญ่อันนั้นที่จริงการที่เรียกว่าปฏิบัติธรรม โดยการทำทานในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการลดรัหรือว่าเลิกถอนการยึดมั่นถือมั่นในในวัตถุนะในวัตถุนะแต่บางคนชาวพุทธเราจะคิดถึงการทำทานก็แค่เพีงแค่สดาปัจจัยวัตถินของเท่านั้นแต่จริงทานที่แท้จริงคือสดาการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยแหละนะหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของที่เรามีเนี่ย เป็นการจีตาดาพร้อมที่จะดาออกไปถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราสดาไปจะเกิดประโยชน์แล้วพร้อมที่จให้ทันทีหรือแม้แต่แรงกายหรือไม่แต่เวลานองเนี่เราก็จีตาดาได้นะอืบางคนง่ายที่จะีตาดาทัพเพราะว่าทรัพย์เราก็มีความมีคอสมควรแต่ยากที่จะจีตาดาเวลาเวลามีเพื่อนมาปรึกษาเวลาเขามีความทุกข์นะเห็นเวลาเราไปติ่มีค่านะ การเปิดใจรับฟังก็น้อยไปอันนี้ก็คือที่จริงการแก้เสียสะัะรับฟังความรู้ของคนอื่นก็เป็นการทําทานอย่างหนึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือ ง, งานบริการบางอย่านงะทางที่เราได้ทํำลงไปยมันก็ทําให้เราได้ฝึกในการลดละตัวตนลงไปอันนี้คือทานทานตรงนั้นนะพุทองค์ท่านสอนปารวาสท่านจะสอนทานศีลแล้วก็ภาวนานะ่า สินสำห ร, ราาับคาบว่านนี่ก็เป็นสินที่จําเป็นนะคราบวา่านต้องดีสินอย่างนั้นก็ติด5้าในแรกนะเรามีสินห้าที่คอยเป็นคล้ายๆเป็นรัว้วเป็นเครื่องป้องกันนะให้ชีวิตเราไม่ไม่ตกต่ำนะหรือทําให้เราเกิดความภูมิใจในในสินของเราในแรกที่มันไม่ด่างพอยถ้าเราผิดสินเนี่ยมันก็จะเกิดความเรียกว่าเกิดความกระดากใจกระดิษนะ เคยโกหกใครไว้เนี่ยพอไปเจอคนนั่นอีกนะมันก็จะเข้าแบบเข้าหน้าเข้าแบบไม่ติดนะหรือว่าคอยมีจิตที่ระแวงกลัวเขาจะจับผิดหรือว่าแต่รู้ทันตัวเองหรือไม่ อ, มอันนี้คือสิ่งนี้เป็นสิน่งที่มันไม่ใช่มีแค่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแต่จริงสังคมก็มีความสุขด้วยนะนะสิ่งนี่เป็นสิน่งที่รับประกันเลยว่านะ จีบเราจะไม่ตกต่ถ้าเรามีศีลนะนมีศีลที่กายไม่ศิลที่วาจามีศีลที่จิตใจด้วยในแต่ศิลง่ายๆที่พวกเราเข้าใจก็ศีลห้าศีลแปดอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นดับรับประกันโดยทั่วไปแต่ศีลที่แท้จริงคือการมีสตินะยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่คิดชั่วไม่ทําออกไปไม่พูด่อไป มีสติรู้เท่าทันความคิดจิตก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะก็จะเรียท่า ม, มีการภาวนาคุณผจิตใจให้ระอาดขึ้นไปเรื่อยๆหลวงพ่อเทียนบางทีท่านนะท่านพูดว่ามีสิ่งขันมีสมาธิขันมีปัญญาขันคืออะไรสิ่ขันขันคือคือที่รวมก็ได้นนะคล้ายๆ ข, ขัน ขันใส่น้ำเนาะเอาน้ํามาตักมารวมใส่เอาสิ่งของมารวมลงในขันนั้นเรามีสินขันคืออะไรขันก็คือเนะี่ยขันท่าสี่ขันห้าของเราเนี่ยแหละนะหรือว่ากายวาจาใจก็ได้มารวมไปโดยการมีสินนะนะสินก็คือการมีสติเนี่นแหละนะสติที่กายสติที่วาจาสติที่ใจไม่ผิดติดมันก็นเลยเกิดความตั่นคงเนะี่ย คนที่มีสินคันเนี่ยมันจะเกิดความกล้าหาญเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวมันมั่นคงว่าปิดสบายภูมิได้แล้วนะเพราะอะไรเมื่อเราไม่ทําผิดสบายภูมิไม่สามารถที่จะเป็นเป็นควบคุมแนวน้คได้แน่นอนน ะ, นะมันมีแต่สุปติภูมิมีแต่ภูมิที่ไปถึงที่ดีๆถ้ายังไม่ถึงที่สุดนะมันจะมีความมั่นใจแต่ว่าคนที่มีสินคันเนี่ยนะไม่ตกต่บนะ แม้เป็นคารวาสก็จะมีความมั่นคง อ, อวัยวุมุกนี่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนไม่ต้องคล้ายๆต้องคอยยับยั้งชั่นใจแต่มันไม่มีเยื่อใหญ่ที่จะไปเกี่ยวข้องมันต่างกันนะบางคนหากห้ามใจจากกิเลสที่เยื่อยยวนหรือว่าจาก อ, อ, อวัยวุฒิที่แวดล้อมต้องมาแต่กันแบบยับยั้งชั่งใจคล้ายๆต้องมาแต่กันดึงหรือว่าอแต่กันเบรก คล้ายๆแบบเด็กจิตตรเองชัดๆแต่พอมีสิ่งคันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนลักษณะว่ามันไม่มีเยื่อใยเนีไม่มีเยื่อใยกับเกลาไม่มีเยื่อใยกับบดีไม่มีเยื่อใหยกับนะสิ่งที่จะมาเยื่อยวนได้นะไม่มีเยื่อใหญ่ไม่แต่มีโอกาสนะะเรามีโอกาสแต่เราไม่ทําเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามีมีสินจริงๆนะสินไม่ใช่าการปิดกั้นโอกาสนะ เราไม่ทําผิดถิ่นเพราะว่าเราไม่มีโอกาสนะที่จะไปทําผิดนะแต่ไม่ใช่แต่ถิ่นที่แท้จริงมีโอกาสแต่ไม่มีเย่อะใหญ่ที่จะทํามันะจะพูดโกหกก็ได้อาจจะไม่มีใครรู้แต่ไม่มีจิตที่อยากเด็กไปโกหกอะไรนะจะผิดตู้ผิดเมียผิดผัวใครก็ได้มันมีโอกาสที่จะทําแต่จิตก็ไม่มีเยองใหญ่ที่จนะทํานำ จะดึงโซดาไม่ไรกงคงไม่มีใครว่าอายุเกิน18ปีทั้งนั้นนะแต่เราก็ไม่ทำเพราะว่าอะไรมันไม่มีเยื่อะแยะที่จะไปเกี่ยวข้องแล้วอันนี้คือิีนขันนะมันไม่มีจิตที่จะไปเกี่ยวข้องมันละนะมนละความเห็นผิดตรงนั้นได้นะมนละความเห็นผิดที่เห็นอย่าที่เขาว่าเห็นกลมจากเป็นดอกบัวนั่นะเห็นสิ่งที่ไม่งามว่าเป็นสิ่งที่งามเห็นสิ่งที่มันไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี จิตที่มีสติมันจะมีปัญญาใช่ไหมล่นนะนะไม่มีสินเกิดขึ้นสินขันไม่ใช่สินเพราะว่าอยับยัง้งชั่งใจแต่เป็นตินที่มีปัญญานะมันก็เลยเรียกว่ามั่นใจว่าไม่ตกสูกบบ่อวัยวะภูมิแล้วสมาคิมันก็ตามมาเพราะอะไรพอเรามีความภูมิใจว่าเราไม่ทําผิดเรามีความภูมิใจว่ากายวายจาหรือว่าจิตมันสะอาดมันก็เกิดความสุขเสรองนะ ไปอยู่ที่ไห น, นก็มีความสุขไปอยู่ที่ไห น, นก็มีความสบายเมื่อมีความสุขมีความสบายจิตใจก็ปลอดโปรโ่งแล้วก็เกิดความตั้งมั่นเกิดความมั่นคงนะอันนี้คือสมาธิขันรวมมานะ ม, นมีความมั่นคงในจิตใจมีความไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสมีความไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมนี่มันมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่มันตั้งมั่น พ่อบุญพ่อลูกเฉยไม่เหมัอนไหวไปอารมณ์ต่างๆมันเรียกว่ามีสมาธิผันเกิดขึ้นแล้วนะขันก็คือธาติขนะันห้าเราเนี่ยมันมีสมาธิมีความมัน่นคงนมีปัญญาขันนะปัญญาในการรอบรู้ในกองสังขารยองรับความจริงของธรรมชาติไดนะ้เรื่องของรูปก็เป็นเช่นนั้นเรื่องของนามันก็เป็นเช่นนั้นนะ ม, ม, er ng, มันม <RI> ีความเข้าใจในกองรูปกองนามในตับขานร่างกายจิตใจแล้วไม่หวั่นไหวแล้วนะแม้กายจะทุกข์มันก็เห็นว่าเป็นเรื่องของทุกข์แม้จิตมันจะทุกข์จริงมันก็เห็นเป็นเรื่องของจิตนะนะมันก็เห็นแม้กระทั่งว่าจิตนี้มันก็ไม่ใช่เราเห็นว่าจิตเนี้มันก็เป็นกองทุกกองหนึ่งนะจิตก็เป็นสกวนของนามก็เป็นกองทุกกองหนึ่งไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นในกายแต่ว่าจิตนี้ว่าเป็นเรานี่มันมีปัญญาอย่างจ๋า แจ้งที่ตรงนี้นะแต่ปัญญาในเื้องต้นมันก็เริ่มต้นจากการที่ค่อยค่อยแยกส่วนต่างๆออกไปเป็นกองรูปเป็นกองนามนะเห็นรูปเป็นทุกเห็นนามเป็นทุกนะเห็นรูปเป็นโรกเห็นนามเป็นโลกนะเป็นรูปไม่เที่ยงเห็นนามไม่เที่ยงเป็นความเปลี่ยนแปลงไปของรูปของนามเห็นการบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปของเขาที่มันถือมันไม่ได้ นี่คือค่อยๆมีปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้จิตมันมีความมั่นคงว่าเออพวกสิ่งผู้ใหญ่เป็นเพียงแค่อาการของรูปกอาการของนาำนะอาการของธาตุสี่ธาตุหานั้นอันนี่คือปัญญาขันมันมั่นคงขึ้นมาจิตแล้วก็จิตก็เป็นเรียกว่ามันมีความเข้าใจของมันเองมีความเข้าใจของมันเองมันเริ่มต้นจากที่ไหนเริ่มต้นจากการที่เราฝึกหัดปฏิบัตินั่นแหละ สติสมาธิปัญญานะหรือว่าติสมาธิภาวานานี่ยแหละมันจะทําให้เราเข้าใจสิต่ตางๆเนี่ยก็คือเข้าเข้าใจเรื่องของชีวิตของเราเองเนี่ยนะนะถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเรียกว่าเรามีความสุขใจมีความเย็นใจนะการที่จะเข้าใจพวกนี้ได้เนาะกุญแจสาคัญนะคือการฝึกเจริญสติกนะารเจริญสติเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญนะนะ ถ้าไม่มีการเจริญสติเนี่ยเราจะรับเราจะทำทานขนาดไหนบางทีจิตใจมันก็ยังมีเยื่อใยกับทานตรงนั้นอยู่เพราะหลายคนเนี่ยทำทานแต่ก็หวังหวังสวรรคนะหวังพบหน้าที่จะเกิดมาเป็นคนรวยนะเนะนี่ยบางทีบางทีในบางรัชทิในบางศาสนานะนะสอนให้ทำทานได้เถิดนะ ต่อไปตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือว่าถ้าพบงาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นคนที่รวยนะแล้วหลวงพ่ทีก็สอนให้รักษาติณ ด, ด, ดีนะนะตายไปจะได้สวยเหมือนหน้านฟ้าเหมือนเทวดาอยนะ่างนเกิดมารูปตั้งวิพัณฑฐานก็จะได้ดีนะก็สอนกับคนไปเนี่ยเรื่องติณก็ดีเรื่องทานก็ดีนะไปรอผลที่ชัดหน้าไปรอผลอผลในพรกหน้า แต่จริงถ้าเป็นการปฏิสติจริงๆนะมันจะเห็นว่าทำทานก็เกิดผลตอนนี้เลยทำทานจิตก็เลิกคิดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของ น, นั่นแหละนี่ก็คือเป็นการาทาทานทําทานแล้วเขาต้งับตัวตนของตัวเองลงไปเกิดผลในตอนนี้เลยนะทักษิยสินก็มีความบริสุทธิ์มีความหมดจดในตอนนี้ไม่ต้องรอความบริสุทธิ์หรือว่าสวยงามในพรุ่งนี้ ที่จริงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคือจิตใจที่บริสุทธิ์นี่แหละมันไม่ใช่ความสวยงามในเรื่องผิวพรรณภายนอกรูปร่ามหน้าตาภายนอกแต่เป็นความงามที่จิตใจที่เรามีศิลนะอันนี้แหละแล้วก็เป็นความมั่นคงในจิตใจที่เราไม่หวั่นไหวในของโลกกระทำมันรวมลงมาที่ตรงนี้นะศีลก็ดีนะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะพอมีสติแล้วศีลก็ยังไม่เป็น พวกที่เรีว่าศีลและพัดตัฒนาามมากจึดมั่นถือมั่นในศีลของตนปวดก็จะเองเก่งกว่าปวดก็จะเองเขร่งครัดกว่านะหรือว่าบางทีเรารักษาศีลแต่เราก็มองคนภายนอกเป็นคนที่ไม่มีศีล น, นะมองตัวเองเป็นคนดีเราต้องมองคนอื่นเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีแต่คนที่มีศีลจริงๆศีลแบบมีมีสติด้วยนะยิ่งมีศีลมากยิ่งมีเมตตามาก เพราะเห็นว่าตัวเองปลอดภัยจากอาวุธปลอดภัยจากความสึกษาเนี่ยเพราะเรามีสติคุ้มครองกายวาจานะแต่เห็นว่าคนอื่นที่เขาหลงไปทําผิดเพราะว่าเขาขาดสตนะิไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ดีแต่สิ่งที่ทําให้ไม่สามารถได้วาจัดยังชั้นใจคือสิ่งที่ไม่สามารถนะถอนตัวเองเออกจาก ความตรงคิดได้ก็คือการขาดสตินี่แหละบางทีเราก็รู้นะนกินะนะเหลาไม่ดีแต่พอเพื่อนชวนทีไรก็ยักย้ายชัย่งใจที่จะปฏิเสงไม่ได้บางทีก็รู้ว่าพูดเพ้อเจ้อไม่ดีแต่พูดไปก็มันไปเรื่อยๆอเนะี่ยบางทีก็รู้นะว่านะการคล้ๆแค่คิดพยาบาทนะคิดเบียดเบียนใครนี่ก็นำมาเป็ความกันณะ ไม่ต้องฝืนขษาะที่ต้องไปลงมือทำนะแค่คิดนะเป็นคำศสพทๆเนี่ยจิตก็สร้างมองแล้วแต่ต้อง่สามารถยับยั้งความคิดจิตใจถอนตัวเองออกจากความคิดที่ไม่ดีได้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าขาดสตินี่เราจะเห็นว่าเงื่องปมที่สำคัญก็คือพอมีสตินะพอมีสติกายวยยาจาหรือว่าจิตนี่ก็สะอาดบริสุทธิ์นะ อันนี้แหละคือถ้าเรามีสตินะมันครบถ้วนทั้งหมดเลยบางทีแล้วพ่อคงเขียนเขาบอกว่าการใจมีสติหรือว่าความรู้สึกตัวเลยนะมันเป็นทั้งเบื้องต้นเป็นทั้งทางกาแล้วก็เป็นที่สุดของการภาวนานะเบื้องต้นนะถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะทําให้เราค่อยๆนะค่อยๆเข้าใจร่างกายหรือว่าจิตใจของเราได้มากขึ้น การคิดเบื้องต้นเลยก็คือเรามีสติกำมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันจิตของบุตุชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยจิตใจมันจะไม่เข้าอยู่กับปัจจุบันมันจะไหลไปอยู่กับความคิดหรือว่าไหลไปอยูกับสิ่งรอบตัวไหลไปทางตาบ้านไหลไปทางหงูบ้านไหลไปทางจมูกทางิี่ทางกายหรือว่าไหลไปคิดในอุคแต่อนาคตหรือว่าอดีตบ้าง คือจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันการทําร้อมตัวนี่นก็คือการทําให้จิตกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันนะรู้อยู่กับปัจจุบันก็คือรู้กายรู้ใจนี่แหละที่ปัจจุบันมันดึงกลับมาก่อนดึงให้มันกลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนเแล้วมันดึงให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันคราวนี้ต่อไปก็เป็นขั้นที่ได้ว่าฝึกหัดให้สติเนี่ยเป็นคนที่สังเกตในปัจจุบันนั้น สังเกตกายสังเกตวาจาสังเกตใจลงที่ปัจจุบันเรื่อยเราสังเกตไปเรื่อยคล้ายๆเหมือนกับการเก็บข้อมูลมันกับเราทาวิจัยทําวิจัยเราเก็บข้อมูลสมมตงานวิจัยของเรา1ปีเราเก็บข้อมูลวันนี้เก็บข้อมูลพรุ่งนี้เก็บไปเรื่อยจนครบ1ปีเราก็จะเห็นว่าในร่วงหนึ่งปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เช่นเราต้องเก็บข้อมูลเรื่องสมมติอุณภูมิที่กรุงเทพนในวันที่หนึ่งมกราคมสอมกราคมจนทั้งวันที่ส า, ามสิบเอ็ดธันวาคมเราเก็บข้อมูลหนึ่งปีเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าอุณภูมิที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเช่นไรในเช่วงเช้าช่องกลางวันในช่วงเย็นสาม้ยกสิบห้าวันมันเป็นเช่นไรการที่มีสติในการเก็บข้อมูล เรื่องของกายเรื่องของจิตของเราเองก็ดีนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจนค่ำวันใหม่ก็เหมือนกันตั้งแต่เช้าจนค่ำนอนดับไปเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจมีบ้างเมื่อมันเห็นไปบ่อยเนี่ยข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันเยอะเนี่ยมันก็จะเกิดการสรุปนะการวิจัยได้การสรุปผลที่ได้ศึกษาได้มันจะเห็นสรุปว่าอะไรสรุปว่า ลูกนี้ก็ไม่เที่ยงนะนามนี้ก็ไม่เที่ยงนะเหมือนถ้าเราได้ตรวจมวลธรรมชาติเช้าจะมีบทที่ว่าลูกไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาคือความจําได้หมารู้สำคาญการปรุงแต่งนี้ก็ไม่เที่ยงสัง เ, เกตง่ายๆนะสำคาญเช่นเช่นความฝานันนบ่นนะบางทีก็ฝัน บางทีก็ฝันร้ายบางทีก็ปัดอะไรก็ไม่รู้นะแท้ในชีวิตจริงอาจจะไม่มีแบบนั้นก็ได้มันไม่เที่ยงปรุงแต่งไปนะมันไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ก็ไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แบบไหนเราก็ดูไปมันมีสุขที่ตรงไหนทุกขไปเนี่ยรูปนมันมีแต่ความเป็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะสังเกตเลยดี มั น, นไม่มีรูปในที่เป็นทุกจริงๆหรอกนะมันมีแต่รูปที่ทุกขน้อยกับทุกข์มากนะนะเวทนานะ่ก็เป็นทุกขนะ์สัญญาก็เป็นทุ ก, นะกข์ตังคานก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนเราเห็นไหมรูปนี่เป็นตัวตนที่ไหนั้งแต่ตอนเด็กจะถึงตอนเนี้ยมันเป็นตัวตนของเราจริงไหมนะ เราบังคับรูปนี้ได้ไหม ını, เราบังคับใี่มันหายใจเข้าอย่างเดียวเราหายใจเข้าอย่างเดียวบังค so so ับให้ใหมันหายใจออกได้ไหมเขาบอกว่าอย่างหนังจีนกาลังไฟในนี้ก็หลอกนระเนี่ยตั้งลมหายใจตั้งตายนะ่ยในดับตร์วิทยาศาสตร์เขาบอกในทางการแพทย์เขบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ฟังมันนะไม่เป็นแต่เขาว่าเนี่ย ไอแนวนั้นจริงแบบกั้นลมหายใจตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอถึงที่สุดพอร่างกายวันไม่ถึงที่จะตายเองเนาะเราจะไปทําให้มันตายโดยการกั้นลมหายใจไม่ได้หรอกกระตริจีนึงมันก็ต้องถูกต้องไงใช่ไหมเหมือนพระพุทธเจ้าที่จริงก็คล้ายพระพุทธเจ้าท่านทดลองนะถ้าบอกกั้นลมหายใจหายใจเข้าแล้วไม่ให้ลมหายใจออกนะลมหายใจออกที่ไหนออกที่หูบ้าง ออกออที่ผิวหนังบ้างออกที่ตามดวงตาบ้างนี่เขาเป็นการทำในส่วนนะการทำในส่นแล้วการหนุนหใายใ้ไม่ตายมันออกมามันออกมาของมันเองเนี่ยเนี่ยคือมันบังคับได้ไหมไม่ได้นะบังคับให้มันหิวก็ไม่ได้หรือแม้แต่บางทีสังเกตได้ตอนจะนอนแับจิ้บังคับให้มันจะดับนี่มันจิ้มไม่หลับพอนอนสบายจะบายแตมันจะดับของมันเอง บังคับไม่ได้นะนนี้คือเราก็เห็นว่ารูปมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเวทนาก็เหมือนกันบางครั้งก็สุขบางครั้งก็เฉยบางครั้งก็ทุกข์นะมันเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้อยากได้ให้สุขตลอดอก็สุขไม่ได้ที่จริงไม่ติทุกข์ตลอดนะั่นก็ไม่ทุกข์นะั่ที่จริงบางคนบอกว่าทุกข์มากนะทุกข์ตลอดเวลา ทุบเป็นวันเลยแต่จริงไม่ใช่อรอกนะมันทุบตอนที่คิดตอนที่เลิกคิดนะมันก็เริมทุบนะมันก็บางทีก็ทุบทุบทุบไปบางทีอนะาบน้ำก็สบายมันก็าหายทุบนะแต่พอเริอกอาบน้ำเลิกสระทุบใหม่ตาจะดึงไปได้นะมันบงังคับไม่ได้เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันสัญญาจะเห็นหน้านะความจําได้บางทีก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ ชื่อเพื่อนบางคนให้คุ้นหน้านะคนนนะี้ใครนะก็อระลึกไม่ได้หรือคนนี้เคยเจอที่ไหนเนบางทีก็ระลึกไม่ได้นะแต่พอสักพักก็ระลึกได้จะมีนะสจำขานก็เหมือนกันที่เห็นว่ามันปรุงแต่ขงของมันเองนะถ้าเราปฏิบัตริรมเราจะเห็นว่าขนาดเราอยาจะรู้สึกตัวตั้งใจอยาจะรู้สึกตัวแต่สจำขานี้ก็มาแทรกมาแทรกสารพัเรื่องเรื่องมีตาระบ้าง เรื่องไรตลาดบ้านแต่จริงมันมาแทะก้อใดใคล้ายๆมายื้อยวนมาหลอกล่อให้เราไปตามเขาที่เฉยๆแน่ะถ้าเราเห็นว่าโอ้เรื่องที่ดีก็ตามเรื่องที่ไม่ดีก็ตามไม่ได้เป็นของเขานี่แค่นี้พอหน้าที่ของกิเลสนะคือการหลุงแต่กก็คือล่อให้เราหลงที่จริงสังขารคล้ายๆเหมือนกับนักโฆษณานักการตลาดนะ พยายามหลุจอ บ, บหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะพยายามทำโฆษณาให้โดนใจพยายามทําการตลาดให้เรียกว่ามีโปรโมชั่นให้คนมาตรงไลน์ไปจับใจซื้อของําขานก็ปรุงแต่งจิตใ จ, จขึ้นมาเพื่อรอกถ้าจิตใ จ, จมันไหลไปกับอารมณ์ตรงนั้นนั่นแหละนะคิดขึ้นมาก็ชวนให้ไปอยู่กับความคิดนะคิดสุขบ้างคิดทูกข์บ้างคิดดีบ้าง คิดไม่ดีบ้างบางทีนั่งปฏิบัติธรรมนะบางทีใหม่ๆนะก็จะพอจะมีสติรู้ทันความคิดเกิดขึ้นนะก็รู้ทันก็วางความคิดที่ไม่ดีลงไปได้ก็รู้ว่ามันคิดสินก็รู้มันไม่ดีก็วางง่ายๆแต่พอคิดดีเนี่ยวางได้ยากคิดบางทีคิดดีแต่แรกคิดดีเป็นไหนคิดเกิดบุญปฏิบัติธรรมในบางขณานี้มาวัดต้นคนจะต้องเจอนะ มันจะเกิดอารมณ์บุญเกิดอารมณ์บุญนะอยากจะทําบุญอยากจะช่วยเหลือนะจิตมันมีความสุขมัอเกิดบุญนะบางคนก็ทําบุญในการ ท, ทําทานบางคนก็ทําบุญในการสลาดอะไยัต่างๆ ม, มากมายแต่บางทีมันก็เป็นการบ้าบุญนะบ้าบุญนะแข่งบุญกับกรอืนะ่อนบางทีเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนิบัตร อยากจะไปห้อมร้องท่า น, นาก็บ้าบุญแบบนั้นก็มีบ้าบุญไปตามนาคนที่ไหนก็ว่ามีพระราหันมีพระเจากก้าเจ้าไปเงินนหวังว่าจะได้บุญเยอะๆนะก็คือเออบุญหรือว่าบหวับบงบุญเราก็ต้องรู้ทันนะจิตมันเป็นบุญเนี่ยมันดีไหมดีนะดีแต่เดี๋ยวไปติดมั น, นถ้าเราไม่ติดนะมันก็จะค่อยๆจางไปนะมันจะทําบุญแบบไม่ติดบุญ ทำบุญแบบไม่หวังผลนะถ้าทำบุญเช่นนี้ดนได้เนี่ยเรียกว่าทำบุญที่มีจิแต่ถ้าทำบุญในการยังหวังผลอยู่นะทำบุญในการยังเลือกที่รับมั่งที่ชัง่งอันนี้เป็นภาพระอันอันนี้เป็นภาพธรรมดาจิตใจยังมีการแบ่งแยกอยู่นะมันก็ยังไม่เกิดบุญจริงๆหรอกนะเพราะว่ามันยัมีการยึดติด ม, มีการถือมั่นแต่จริงถ้าเราสังเกตอิงบุญนี้จริงคือเนะ่ยบุญคือเกิดจากจิตใจที่มีมีปัญญาเนะีนะ่ย มีการรู้เท่าทัานสำาัญนี่คือเกิดบูรณาญาธรรไปแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนทำไปแล้วก็สดัดจริงๆนะทำไปแล้วก็ไม่ไปหวังว่าพบหน้าจะได้อะไรทำดีกับใครก็ไม่ต้องหวังว่าเขาจะต้องทำดีกับเราตอบนะเรารู้แต่ว่าเรามีเจตนาดีกับคนอื่นนะแต่ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะต้องมีเจตนาดีต้องทำดีกับเราไมไม่ต้องไปคาดหวังเท่นนะั้นคือเราจะมารูทันการคาดหวัง รู้ทันการยึดติดในจิตของเราแน่เราจะวางตรงนั้นนี่คือจิตที่นเป็นวุญนะหรือบางทีจิตมันก็จะมีความสุขนะบางขนาดปฏิบัติทําไปในจิตมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายบางขนาดนี้จิตมันโล่งโปรมากนะเบามากคิดบางทีก็ไม่คิดนะอยู่ได้เป็นทั้งวันแทบจะไม่คิดสบายให้เดินให้ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ตอนเช้าจะสุบการขั้มก็สบายนะบางคืนไม่นอนก็ได้นะปฏิบัติธรรมได้เรื่อยๆนะบางคนนอนให้ดับก็ไม่ทุกนะข์ก็สบายแบบนั้นไปบางทีเขาเรียกเป็นทาอารมณ์สบายอารมณ์สบายมันติดอะไรติดปิติติดปดิติต oh. หรือบางทีบางคนราจไดมากตรงนั้นเป็นความสุขเป็นความเบานะบางทีคิตมันเป็น เป็นความเฉยเป็นความบางกลางเป็นคล้ายใจใวางต่างๆนะแล้ก็ต้องรู้ทันมันนะพวกนี้มันจะเป็นทางผ่านมันเป็นอารมณ์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ผิดไมได่เสียหายแต่รู้ทันมันเราจะข้ามมันได้นะมันเป็นทางผ่านนะบางครั้งจิตมันมีปิติ บ, บ้างบางครั้งจิตมันมีความสุขบ้างบางครั้งจิตมันมีความเป็นการแบบ กางแบบไม่ไหลไม่หลบในกบร ม, มนะแต่เราก็ต้องเดินปัญญาต่อคือหลักจริงจรคือหลังจากที่เรามีมีความมั่นคงในเด็ดใจก็คือมีสมาธิแล้วเอาสมาธิตัวนี้มาเดินปัญญาก็นะาคือเาอาความรู้สึกตัวเนี่ยมาเดินปัญญาเดินแบบไหนโดยการเดินให้มาปัญญาก็คือสติมาเห็นความคิดเห็นจิตใจนะเห็นถึงความ ไม่เที่ยงของความคิดเป็นถึงความไม่เที่ยงของอารมณ์การที่เราไปดูอาคารของจิตเนี่ยดูได้ในดายลาักษณะนะดูที่ตรงไหนดูที่ความคิดก็ได้นะดูจิตตอนนี้มันคิดจิตตอนนี้มันไม่คิดหรือดูตรงที่อารมณ์ก็ได้นะมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทันหรือบางทีเราดูที่ความรู้สึกนะความรู้สึก ความรูสส้สึกเช่นสุขหรือทุกข์หรือเฉยนะมันดูได้ในหลายอาการนะดูได้หลายรูปแบบเราก็สามารถเรียนรู้ดูได้เพรเราเรียนรู้ดูเนี้ยจิตนจะเกิดปัญญาเรียกว่าเป็นการเดินปัญญานะจิตมันจะเกิดการเดินปัญญาขึ้เรื่อยๆนะมันก็จะเกิดความเข้าใจความจริงของชีวิตของร่างกายของเราขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือความรู้สึกตัวนะหรือว่าการฝึกเจนสตินี่ มันจะนํามาซึ่งวิธีการแบบนี้แหละจะปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนก็ดีนะถ้าเป็นการเดินในแนวทางที่เรียกว่าปฏิปฐานมัจเจกพ่อจะเข้าล่องที่เรียกว่าอริมารมีองค์แปที่วเราได้สวดมนต์ในตอนเช้าะนะนะอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญนะเป็นหลักวิธีการในการเดินทางที่สําคัญนะเป็นทางเดียวก็ได้ ที่จะทำให้เราถึงที่สุดในความพุกธนะสมาทิฏฐิเนะเริ่มต้นด้สัมมาทิฐิจบลงมาได้สัมมาสมาธิความตั้งใจมัน่นแต่ไท้จริงแล้วนะอริยมรรคมันแบ่งเป็นองแ์8โดยโดยโดยสมมุติเฉยแต่ไท้จริงแล้วมันรวมเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนกับลูกบอลนะเหมือนกับลูกบอลนะมันก็มี มันก็มีชิดทั้งแปดชิดหรือว่ามันก็กลมๆรอบๆไปแต่จริงมันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับกําปั้นเรานะนิ้วมีห้านิ้วนะแต่พอเรากำไปมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอะเรียมักมี8ก็เป็นเช่นนั้นนะมันไม่ใช่ว่าอันหนึ่งสมบูรณ์อีกอันนึงมันจะมันจะพ้องถ้ามันจะสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์พร้อมกันถ้ามันจะพร้องมันก็อย่างพ้องพร้อมกันนั่นแหละนะแต่เราค่อยๆ พัฒนาจปยังมัสมีองแตนนี่มันสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อเมื่ออริยมัสมันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งเรียกว่าอาริยผลนะเมื่อบ้านมันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดผลนะตอนเนี้เราค่อยๆทำมัสมันะก็คือการเจริญสติเนี่ยนะเป็นการสร้างมัเมื่อสติปัญญามันมากขึ้นมันก็เกิดอริยผลนะนะอริยผลขึ้นไปเรืนะ่อยๆโสดา ปฏิมโาโสดาปติผลสัจธรรมีมรสัจธรรมีผลนะอนาคามีมรอนาคามีผลปารหันตะมรปารหันตะผลนะอันนี้เป็นแปดขั้นตอนนะมรมรสี่ผลสี่แต่สุดท้ายที่จะมีหนึ่งนะสุนิพายสุนิพานมันเหนือเหนือขึ้นไปหลันธะ์เจติพานทั้งเรียกว่า มักคสีผลสีนิพพานหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดีย ว, ยวถึงจุดสุดทีตรงนั้นอันนี้คือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมของเราเนาะถ้าชีวิตของเราเนะี่ยมีการปฏิบัตนะิธรรมนยชีวิตเราก็จะถึงจุดหมายก็คือนิพพานได้เนาะแต่เดี๋ยวไปคิดว่านิพพานเป็นสิ่งที่ที่พ้นสมัยแล้วนะเราดียไปคิดว่านิพพานเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้หรอกอย่าไปคิดเช่นนั้นนะ ที่จริงในตัวที่ปิดว่าเราทำไมได้นี่คือเป็นมิจฉาทิฐินะแค่เปิดใจเลย ว, ว่าเราทําได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเช่นเดียวกับเราเนี่ยแหละนะท่านก็มีร่างกายมีจิตใจเหมือนเราเนี่ยแหละอนะุบาจานทร์ที่พวกเรานับถือท่านก็เป็นคนเหมือนเราเนี่แหละนะมีท่าตีมีสันท่าเหมือนเราเนี่ยแหละ ก่อนนั้นนั้นท่านก็มีความหลงเหมือนกันนั่นแหละมีความไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่สําคัญคือการค่อยๆฝึกฝนะึกเริ่มจากศีล เ, เริ่มจากประมาธิเริ่มจากปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกสติหรือความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ได้เราก็สามารถเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เป็นที่ไหนไม่ใช่เป็นที่กิริยาภายนอก เป็นที่จิตใจนะเป็นที่จิตใจจิตใจที่ไม่ทุกข์นี่แหละเพราะที่จริงนิพพานไม่ต้องไปรอว่าเราต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะมันมีสิ่งที่ได้ว่าเป็นนิพพานน้อยน้อยนิพพานที่เราสามารถสัมผัสได้ในตอนนี้ถ้าเราสังเกตขณะที่เราตั้งใจสวดมนต์ก็ดีขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมก็ดีหรือขณะที่มีความรู้สึดดกตัวต่อการปฏิบัติธรรมก็ดี ใจิตใจตอนนั้นมันไม่ทุกนะสังเกตนะเนีใจิตใจมันปลอดโปร่งโล่งสบายเป็นธรรมดาอาจจะไม่ปลอดโปร่งโล่งมากแต่ก็ไม่สึกว่าอจิตไม่ไหลไปไอเดีจิตไม่ไหลไปธนาพก็จิตมันอยู่กับการฟังจิตมันอยู่กับการเคลื่อนไหวจิตมันรู้ทันใจที่ไหลไปอันนั้นคือจิตที่ไม่ทุกแล้วคือจิตที่สามารถสัมผัสสับนิพานในตอนนี้ได้แล้ว ไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะกนะารบิบัติธรรมเนี่ยมันรวมลงมาที่การมีสติลงที่ปัจจุบันนะมีก็มีหรือว่ารลงมาอยู่ที่รู้ทันกายรู้ทันใจนะเรารู้ทันอะไรรู้ทันแล้วไม่ไหลไปกับกายไม่ไหลไปกับใจนะกายมันเป็นทุกข์แต่ใจไม่ไหลเป็นทุกข์ด้วยใจมันมีความเป็นแปรในความเป็นทุกข์แต่สติก็ไม่ทุกข์ด้วยนะ มันมีใจดวงหนึ่งที่เผลอไปไหลไปคิดแต่ก็จะมีใจอีกดวหนึ่งที่รู้ทานว่ามันเผลอไปคิดมันมีใจดวหนึ่งที่เผลอไปทุกข์แล้วก็จะมีใจดวงหนึ่งที่มันมาเกิดขึ้นใหม่รู้ทันว่ามันไม่มันมีสติว่าใจทุกข์เมื่ีตอนนี้ไม่ทุกขแล้วมันต้องเปลี่ยนไปแบบนี้เรื่อยๆอันนี้คือในการปฏิบัติธรรมนะเราสามารถมีสิผานเราสามารถมีความสุขตัวมาแท้ได้จนทุกขณะ ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอนาทีข้างหน้าได้ทันไปนะเรื่องตั้งอะไรนะมีกติกเมื่อนั้นเกิดความรู้ตัวเมื่อนั้นเกิดความในทุกเมื่อนั้ น, วว น, นอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะในการในการเรียนรู้เรื่องธรรมะในการเรียนรู้เรื่องชีวิตถ้าใครเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้นะก็จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเรียกว่ามีความสุขที่สุดนะเราจะเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็เห็นเป็นธรรมดานะใจมันจะไม่ทุกข์ด้วยมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปมันแก่ขึ้นทุกวันแก่ขึ้นทุกนาทีมันเจ็บสุดท้ายมันก็ตายแต่ใจมันไม่เป็ที่บั่นถือบ้านในกายนีนะ้จิตใจเราเช่นเดียวกันมันเห็นที่จิตใจของเราเองเนี่ยมันก็ยังมาคับไม่ได้เลย แ, แล้วทําไมเรต้องปทุกข์เพราะมบางทีเราก็ทุ ก, ก, ท ก, กข์เพราะอยากไปยอมคับคนอื่นนะ ทำไมเขาคิดเช่นนั้นทำไปเขาทำเช่นนั้นทำไมก็ไม่เคยใจเราทำไมเ็าถึงพูดอย่างนั้นในนี้ไปถามแต่ว่าทำไมทำไมทำไมแต่ไม่กลับมาดูใจตัเองว่าทําทำไมเราต้องไปทุกข์กับเขาด้วยทาไมเราเครียดกับการทำเขาด้วยทำไมเราไม่กลับมาดูตัวเองนี่ทำไมเราไม่กลับมาแก้ที่ใจของเราเองทำไมเราก็ไปถามคนอื่นทำไมต้องไปขอให้คนอื่นเปลี่ยน แต่ทำไมไม่เปลี่ยนที่ใจตัวเองให้ไม่ทุกก่อนมันจะกลับมานะกลับมาดูตัวเองไม่ไปถามทำไมไม่ถามเอาเหตุผลกับคนอื่นแต่กลับมาแก้ที่ใจตัวก่อนให้ไม่ทุกขนะ์แล้วปัญหาค่อยไปแก้ที่ลังมันจะแก้ที่ใจให้มีทุกก่อนแล้วก็ออกใจที่ไม่ทุกข์นั้นไปแก้ปัญหาภายนอกนะมันจะแยกได้ว่าปัญหานี่เป็นส่วนหนึ่งนะปัญหานี่เป็นของผู้โลกนะนะ แต่ความพูดนี่มันเป็นของผู้ใจที่ไม่มีส ต, ติไม่มีปัญญาแต่พอใจที่มีสติตปัญญาเนี่ยความพูดไม่แต่บ้านมาพูดกับใจได้นะมันจะอยู่ต่าหาของมันเองอันนี้คือเกิดปัญญากับนี้เนานะวันนี้พู ด, นะพดอ่านะพูดเน้นเนื้อพูดเน้นเนเนาะนะหลายคนก็เคยภาวนาแล้วนะก็ อ, อยากให้พวกเราเนี่ยได้ทําไปเรื่อยๆนะนะ ทำไปเรื่อยมันไม่เหลือวินัยทุกคนเราจะทำแบบนะมันมีจริงๆในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนโดยเอาอาศัยการพิสูจน์ด้วยตัวงเราเองนี่แหละนะอย่ามาเชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้เ า, าท่านบอกไว้อย่าไปเชื่อเพราะว่าทาอาจารย์บอกไว้อย่าไปเชื่อเพราะว่าตานานท่านว่าไว้อย่าไปเชื่อทั้งสิบประกาศาการามสูตรทนั้นแต่ให้เราพิสูจน์ด้วย ตัวรายเอียดว่าทำไปแล้วมันทุกข์ไหมทําไปแล้วมันออกจากความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้ามันทุกข์เลิกทำถ้ามันไม่ทุกข์ทำต่อแต่บางทีมันทุกข์เพราะว่าเราทําผิดก็มีนะมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราฟังมันมันผิดแต่บางทีเราก็ทําผิดเองกเนีก็ต้องกับมาดูว่าถ้าที่มันยังทุกข์เพราะอวางใจไว้ผิดไหม วางกายวิปปิดหรือเปล่าเราก็ดูตัวเน้นด้วยนะอย่าเชื่อเพราะว่าคาติดประการแต่เชื่อที่ตัวขอเราเองนะที่สานจะทำนะถ้าเราเชื่อตัวเองได้นะนะมันจะเห็นว่าเราจะมีที่พึ่งจริงๆนะไม่ต้องรอพึ่งใครนะแต่พลังนัดตายนี้อยู่ที่ตัวขเราเองนี่แหละตัวเราเองที่มีเรียกว่ามีความพึ่งมีครามรำมีความสมในจิตใจแล้วมันมีที่จริ ง, รงนะ เราจะเปิดสูตรได้ได้ไดาการปฏิบัติธรรมแนะนะ่นอนวันนี้เราก็คงจะได้ปฏิบัติธรรมกันนะต่อไปเรื่อยๆนะอนะเก็บไปเรื่อเปนะ็นนะ้องไม้ทำทุกวันทุกวันมาดึงได้เมื่อไหร่จะทำเท่านั้นแหนะเราก็จะเข้าใกล้มงคลนิพพานเรื่อยๆนะนะเดี๋ย ว, วันนี้ก็จะได้ให้อาจากย์ตูนแนะนํำผู้ใหม่บ้างเป็นตัวมีหรือเปล่า มีใครเห็เคยฝึกไหมมีไหมมีกี่คนคนเดียวที่เลืองเคยฝึกแ้วเนาะคือถ้าใครไมเคคก็มหาท่านจรมข้างหน้าท่านแนะนำวิธีวิธีเจริญสติเนาะส่วนคนที่ที่เคยฝึกปฏิบัติูีแล้วก็าเราก็รวมกันปฏิบททัติทำกันเนาะ นั่งยกมือสั้นจะไวก็ได้นะหรือจะใครปวดขามากเลยะมากก็อาจจะเดินที่ข้างหลังหรือว่าเดินที่ ข, ข้างก่อนก็ได้นะในภาพเช้านะเจอในนักคนที่ยังไม่ติก็จะมาเข้ามาหาข้หัน